ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องอยู่กับหมู่รู้ให้จริงโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่22ธันวาคม2545ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องง่ายๆอ่ะเป็นเรื่องที่ที่ต้องอดทนแล้วก็ต้องเอาจริงแล้วก็มีใจที่จะต่อสู้เรื่องการต่อสู้ระหว่างเรากับกิเลสของเรานะไม่มีอย่างอื่นเลยราะในาศาสนาพุทธเนี่ยผูดเจ้าถึงได้ตรัสเอาไว้ว่าการที่ใครจะมาบวช คำว่าบวชนี่คำว่าบวชนี่ถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือการที่จะมาลดละกิเลสนะถ้าแปลง่ายๆนะคนใครที่จะมาบวชเนี่ยนะไม่มีอย่างอื่นนะ่มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเลยว่ามาเพื่อที่จะมาลดกิเลสเท่านั้นถ้าใครที่ยังคิดว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือว่ามาบวชโดยที่เราเองก็ยังอะไรอะ่ะบางที ตามเพื่อนมานะเขาชวนมาก็มาด้วยนะหรือว่ามาเพราะว่าเอเห็นเขาบอกที่นี่แปลกๆใหม่ๆเรายังไม่เคยมาเราก็เอามาลองดูสักหน่อยสิซึ่ ง, งถ้าเพราะเหตุอื่นใดอะไรเนี่ยไม่ค่อยทนหรอกยกเว้นว่าตอนแรกอาจจะมาเพราะเหตุอื่นนะแต่พอมาปฏิบัติแล้วรางฏว่า เออชักรู้ชักเข้าใจเนื้อแท้หรือว่าแก่นแท้มากขึ้นแล้วก็ปรารถนาที่จะเอาแก่นนะไม่ใช่เอาแต่เปลือกเพราะว่าถ้าคนที่เอาจริงเนี่ยนะมาปฏิบัติสู้กับกิเลสแล้วมันจะรู้ว่าโอ้โหถ้าเราไม่ตั้งใจไม่ตั้งมั่นจริงๆแล้วมันไปไม่ถึงเพราะว่าอุปสรรคที่สำคัญที่สุดเนี่ย มันคือหนึ่งความขี้เกียจของเรานะสองก็คือความลาบากมันมันไม่มันไม่ง่ายมันไม่สะดวกสบายหรอกเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่สู้กับกิเลสเราเนี่ยอะไรที่เราชอบใช่มเราก็ต้องหัดลดลงอะไรที่เราเกลียดเราก็ต้องหักรักให้มากขึ้นคือมันเป็นเรื่องที่ฝืนใจเราทั้งนั้นเลยเพราะมันง่ายที่ไหนอ่ะ มันเป็นเรื่องที่ที่ยากไอ้ยากก็คือตรงเนี้ยยากตรงที่ว่ามันต้องมาฝืนสู้กับกิเลสของเราบางทีสู้กับอย่างอื่นไม่ยากเท่าไหร่หรอกแต่สู้กับกิเลสเรานี่ยากที่สุดลนะเพราะคนเรามีชีวิตอยู่เนี่ยบางคนทํางานทําการขยนันขันแข็งทําให้นอนทําให้นี่แต่เขาก็ยังทําไปตามความปรารถนาที่ว่าอาอยากได้เงินเยอะๆเขาก็ขยนันทํางานมากๆ อันนี้มันก็ไปตามตามกระแสของความต้องการใช่ไหมแต่ถ้าทำงานเยอะๆขยันทำงานแต่ว่าเงินเดือนหรือว่าลาบยศดสรอเสรนนะพยายามสลัดออกเอาน้อยๆเอออันนี้ชักเริ่มฝืนละจะเริ่มเริ่มฝืนความรู้สึกละอันนี้ชักยากขึ้นนะเหมือนกับพวกเราหลายคนที่เขาปฏิบัติธรรม เป็นญาติธรรมเนี่ยแหละมาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ยังทำการงานอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่อะไรต่างๆยังไม่มาอยู่วัดนะบางทีเนี่ยเขาก็เข้าใจธรรมะแล้วเขาพยายามสู้เนี่ยนะซึ่งจะเห็นผลเลยทันทีเลยว่าโอ้โหเริ่มเป็นตัวประหลาดหรือว่าเริ่มเป็นคนที่อะไรอะรู้สึกว่าจะแปลกแยกออกจากสังคมล หมายถึงว่าสังคมทั่วไปนะบางทีถ้าในสังคมที่เขาอยู่นั้นค่อนข้างมีคนที่รู้แล้วก็เข้าใจก็ก็อ ย, อยังชั่วหน่อยคือคือเขาก็จะคิดไปในทางดีเออคนนีนะ้มาถือศีลมาปฏิบัติธร ร, รมมาทำตัวแบบนี้เขาอะไรอะ่ะเขาเห็นใจนะหรือว่าเขาก็ให้เกียรต หรือเขาก็ยกย่องว่าเอออย่างนี้ดีแล้วเพียงแต่ว่าพวกเขาไม่เอาด้วยเท่านั้นเองแต่ถ้าไปอยู่ในสังคมไหนที่เขายัางไม่ยอมรับแล้วเขามีความรู้สึกว่าไอ้นี่นี่มันอะไรอะแอนตี้อะมันมั น, ม, น, ม, นมันต่อต้านสังคมนี่มันทำไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาถ้าเราไปอยู่ในสังคมแบบนั้นหนักหน่อยเขานี้ อาจจะโดนว่านะโดนเย้ยหยันโดนอะไรอะต่อต้านต่างๆนาน า, นาจนกระทั่งถ้าเจอหนักๆบางทีนี่เขาพยายามขับออกจากสังคมของเขาเลยซึ่งบางทีพวกเราบางคนนะก็โดนโดนอย่างนี้จริงๆแล้วก็โดนเขาว่าแรงๆโดนเขาไล่เลยก็มี ซึ่งจริงๆโชคดีนะถ้าเขาไล่เพราะจะได้มาอยู่กับ ห, หมู่กลุ่มเราไว้ๆวจริงๆ้วโชคดี ถ, ถ้าถ้าถ้ามีนะสัมมาทิฏฐิหรือว่ามีความรู้ความเข้าใจที่มันชัดเจนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยที่ยังไม่ย อ, อกยังไม่ยอมยังไม่ยอมจะออกจากหมู่กลุ่มนั้นเน่ยนะเพราะว่ายังเสียดายบ้างยังอะไรอา่อนบ้างแล้วก็มีใจที่บางทีก็ใจที่ดีนะบางทีก็ยังอยากที่จะ แมจะช่วยเขาได้ยังไงนะหรือว่าจะอะไรอะ่ะปรับเปลี่ยนเขาได้ยังไงบ้างเขาจะได้ดีขึ้นเขาจะได้เข้าใจธรรมะเข้าใจสิ่งดีๆได้เพิ่มขึ้นหวังว่านะเขาจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ที่ไหนได้บางทีไม่เพียงแต่เขาไม่เปลี่ยนแปลงเขายังจะเล่นงานเราโดยซ้าไปนะบางทีเนี่ยมันก็มีตัวพวกนี้อะไรอวรตองแ ต, งต่งอยู่ ก็เลยในที่สุดก็เลยยังไม่หลุดออกมาจากจากสังคมที่เราอยู่กับเขายากนะพอดีเขาไล่มาก็เลยดีแล้วจะ <c oughs> ได้มาอยู่กับนะสถานที่ที่มันเหมาะมันควรสําหรับเรานะอยู่ในประเทศอันสมควรหรือว่าอยู่ในหมู่กลุ่มอันสมควรอันนี้เป็นเป็นมงคลอย่างหนึง่งเพราะว่า เหมือนกับผู้วิธาท่านตรัสถึงบุคคลที่จะมาบวชเนี่ยบอกว่าการมาบวชเนี่ยเป็นทางปโปรง่งนะเป็นทางที่จะทำให้สะอาดทำให้บริสุทธิ์ขึ้นมาได้นะดูดสังขัดนะซึ่งมันจะขัดให้ขาวได้ให้สะอาดได้บางทีเราไปอยู่กับสังคมอย่างนั้นมันยากนะมันจะมีคือเราอยากจะลดละกิเลสเราด้วยนะถูกต้องแล้วแต่ในขณะเดียวกันบางทีเขา ขัดขวางข้ออะไรมากๆเข้าบางทีมันก็เป็นการยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่มาบวชเนี่ยบางทีนะเปลี่ยนจากเพศคารวะแล้วก็มาสู่เพศของบรรพชิตหรือเพศของนักบวชมันก็ง่ายขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเวลาเราต่อสู้กับกิเลสนะมันก็ไม่ถึงกับโอ้โหมีอะไรสลับซับซ้อนมากมายจนกระทั่งบางทีมันเกิน<อ>เกินความสามารถที่เราเนี่ย จะอดทนต่อสู้เพราะว่าถ้าอยู่ท่ามกลางโลกสังคมที่เขาต้านแรงมากมากนี่มันยากจริงๆไม่ว่าจะกิเลสกรามโทสะหรือมานะก็แล้วแต่น้ำมันลุมล้อมมามากถ้ามันเกินกำลังเรานี่มันก็สู้ไม่ไหวยกเว้นผู้ที่มีมารมีเก่ามาแล้วมากๆเท่านั้นน่ะถึงจะเรียกว่านะท่านมีการสะสมมา เยอะมากพอแล้วจะอยู่ท่ามกลางอาจมาใช้อยู่ท่ามกลางโดนดงพญาไฟยังไงครับตามนะไม่ใช่ดงพญาเย็นนะดงพญาไฟมันจะร้อนละอุมันจะเผาไหมยังไงก็เออก็ทนอยู่ได้นะเหมือนท่านพุทธทาสบอกว่านะอยู่ท่ามกลางเตาหลอมเหล็กได้นะมันมันยากอย่างนั้นจริงๆ เพราะนั้นถ้าบางทีเนี่ยแม้ว่าพวกเราที่ยังไม่ได้นะยังไม่ได้มาอยู่วัดตลอดก็ตามแต่ถ้าเป็นไปได้นะมันมีหมู่มีกลุ่มที่เราพอจะแบ่งเวลาสละเวลาที่มาเข้าหมู่เข้ากลุ่มได้จะช่วยช่วยทำให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเราเองได้ไวขึ้นไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ย ท, ท่านจะไม่ตรัส นับว่ามิตรดีสหายดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์นะพรหมจรรย์ในที่นี้ก็หมายถึงว่าในการที่จะปฏิบัติธรรมได้สูงขึ้นนะเรียกว่าพรหมจรรย์นะหรือแปล ง, ง่ายง่ายก็ศาสนาเพราะนั้นการเข้าหมู่เข้ากลุ่มเนี่ยจะช่วยทำให้เราลดละกิเลสได้ไวขึ้นนะมันไม่เกินกําลังจนมากเกินไปและเวลาบางที เราปฏิบัติไปเนี่ยก็ยังมีคนคอยช่วยเหลือด้วยแต่ถ้าเราอยู่ในสังคมที่เขาไม่ปฏิบัติธรรมนะเขาจะช่วยเหมือนกันเนี่ยต่เขาจะช่วยเหยียบไม่ใช่เหยียบแบบคลายเส้นให้นะอันนี้เขาเหยียบแล้วเส้นยิงจมใหญ่เลยเส้นยิงตึงใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วนะัอันนี้ถ้าเราเข้าหมู่เข้ากลุ่มได้จะจะช่วยพัฒนาเราได้ได้เร็วขึ้นแล้วก็ดีขึ้น เพราะจะต้องเลือกถ้าใครไม่ไม่รู้จักเลือกนะชีวิตเนี่ยใครไม่รู้จักเลือกคุณไปไม่รอด อ, อย่างเราบอกว่าคนเราเนี่ยจะต้องมีชีวิตอยู่นะเราอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะอย่างน้อยเนี่ยกูก็ต้องเลือกครอบครัวที่จะอยู่อลองยกตัวอย่างแบบแบบโลกโลกหน่อยก็ได้ ทุกวันเนี่ยไม่ไม่ต้องทุกวันเนี้อ่ะแม้ในอดีตก็ตามใครอยากจะสร้างครอบครัวสมมุติว่าจะแต่งงานแต่งการมีครอบครัวไปคนนั้นก็ต้องรู้รู้จักเลือกใช่ไหมสุ่มสี่ซุ่มห้าหลับตาคว้ามาสักคนหนึ่งนะแล้วจับฉลากมาเอาแล้วแล้วก็เอาใครไปเป็นคู่ครองโอ้แล้วจะไปรู้ได้งไงอ่ะเขาจะดีเขาไม่ดียังไงใช่ไหมบางที อันนั้นมันแล้วแต่ฟุกแล้วแต่ดวงใช่ไหมเอาได้มาดีก็ดีไปออาครอบครัวก็อยู่ผาสุขไม่ดีไม่ดีดดก็ทุกข์ก็ก้มใจตายราะวันโดยโดยง่ายง่ายแค่นี้เราก็ยังรู้เลยปะเออต้องเลือกเพราะฉะนั้นเหมือนกันถ้าโดยการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็จะต้องรู้จักเลือกต้องเลือกจริงๆแม้แต่ครูบาอาจารย์อย่างเงี้ย ใช่ไหมเราไม่เก่งพอเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์คุณก็ต้องรู้จักเลือกอะ่ะคุณจะเลือกที่จะมีครูบาอาจารย์แบบไหนอะ่ะที่จะอบรมสั่งสอนเราหรือว่าจะให้ความรู้กับเราแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเออครูแบบนี้แหละที่จะทําให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ได้นะหรือว่าหมดกิเลสได้อันเนี้ยคุณก็ต้องรู้จักเลือกคุณเลือกไม่เป็นเนี่ยเยอะแยะไปเลยนะ ที่แบบว่ามีกรูบาอาจารย์ที่พาเราไปปิดที่ปิดทางหลงทางไปเรื่อยๆ เ, เพราะฉะั้นถ้าเราเองเนี่ยเราปฏิบัติธรรมแล้วจะต้องรู้จักเลือกแล้วเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยพุทธจะาท่านตรัดไปเลยนะว่าจะต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยเสมอคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยในที่สุดของการ บรรลุธรรมหรือว่าการจะพ้นทุกข์ได้จริงๆนะปัญญาเป็นที่สุดเพราะไม่มีอะไรเกินไปกว่า น, นี้แล้นะวเพราะปัญญานี่จะเป็นตัวพิจารณาตัดสินแล้วเราจะบรรลุธรรมนะจงกันทั่งถึงขั้นเป็นพระอาหารหันต์จริงๆก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเพราะมีแต่การที่เรารู้จักเนี่ยแยกแยะอะไรดีอะไรไม่ดีนะแล้วเราก็ คืออันนี้เป็นเป็นตัวเริ่มที่เราจะต้องรู้จักแยกแยะรู้จักพิจารณาจนกระทั่งเราลงมือต่อสู้ในขณะที่เราต่อสู้กับกิเลสเราเราก็ยังต้องพิจารณาอีกนะไอตอนต่อสู้อยู่จนกระทั่งในที่สุดแม้แต่สู้ชนะหรือว่าแพ้ก็ตามแต่ก็ยังต้องใช้ปัญญาพิจารณาอีกอยู่ดีใครที่สมมุติว่าถือศีลได้ ปฏิบัติทําได้นะโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวโอ้โหได้มาเองได้มาอะไรอะฟุกๆ ก, ก็แล้วแต่แต่คุณไม่มีปัญญารู้ว่าเนี่ยไอ้เนี่ยมันเป็นกิเลสแล้วคุณก็จัดการได้แล้วแล้วนี่กิเลสคุณก็หมดไปแล้วนะว่าเออกิเลสตัวนั้นตัวนี้โหแต่เดิมมีเท่านี้เท่านี้ตอนนี้เราสู้แล้วจกนกระทั่งชนะไปเท่านี้แล้วมันเริ่มหมดลงไปแล้วตอนนี้ เหลืออยู่นิดนึงเหลืออยู่นิดนึงก็จัดการจนหมดเกี้ยงแล้วถ้าคุณไม่มีปัญญารู้สิ่งเหล่านี้ได้นะไม่เรียกว่าบรรลุแล้วก็โดยสภาพเนื้อแท้แล้วเนี่ยคนที่ไม่รู้อันนี้ได้จริงคนนั้นจริงๆจะไม่รู้ว่าตัวเองบรรลุได้หรือไม่ก็จะไม่มีบรรลุได้ด้วย ยกตัวอย่างง่ายๆที่สุดซึ่งอาตมาก็มักจะถามพวกเราอยู่บ่อยๆในอย่างที่นี่เราก็นํามากินมังสวิรัตกันเราไม่กินเนื้อสัตว์บางทีมักจะถามว่าคุณแน่ใจมั่นใจตัวเองหรื อ, อยังว่าแค่เรื่องการเลิกเนื้อสัตว์เนี่ยการมากินมังสวิรัตได้กิเลสในเรื่องนี้คุณเหลืออยู่สักเท่าไหร่หรือคุณว่าคุณหมดแล้ว คุณสามารถจะตอบได้ไหมบางคนเนี่ยกินมังสวิรัตมาหรือว่ากินเจมาก็ตามนันเลิกกินสัตว์บางคนเลิกกินมาเป็นสิบกับปีอันนี้เห็นมากับตาเลยแต่เขากินได้เพราะบางทีเขามีศรัทธาทีแรกแล้วเขาก็กินมานั้นแล้วคนอื่ น, นก็แบบว่าเออก็บอกว่าดี ด, ดีเขาก็ว่าดีดีเขาก็กินมาได้เป็นสิบกับปีแต่พอ ตหลังนะเกิดไม่รู้ละเกิดเหตุเพศภายอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าเลิกกินไปเลยกลับไปกินเนื้อสัตว์นะซึ่งถ้าอย่างนี้อาจามาก็ถือว่าอา้าวอย่างนี้แสดงว่าคุณยังไม่ได้พ้นจริงคุณไม่ได้หมดจริงและไอตอนที่ปฏิบัติมาได้1ิบกว่าปีแสดงว่ามันไม่ได้มียานปัญญาที่จะรู้ว่าทำไม ถึงไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเลิกมาแล้วเนี่ยนะมากินมังสวิรัตมันดีกว่ายังไงทั้งร่างกายทั้งจิตใจหรือแม้แต่เรื่องของวิบากกรรมเออมันดีกับกันยังไงซึ่งอาจมาอยากจะบอกว่าถ้าคนนั้นชัดเจนแล้วเนี่ยนะคุณจะไม่มีความสงสัยเลยแล้วถ้าโหยิ่งกินมาได้นานต้งเป็นสิบกว่าปีอย่างเงี้ยนะถ้า มันมันน่มันค่อนข้างน่าจะเชื่อถือนะว่าแหน่คนนี้นี่น่าจะโอ้โหหลุดพ้นมาได้แล้วนะไอ้เรื่องของเนื้อสัตว์แค่นี้แต่เห็นไหมมันไม่ใช่นะกูจะเป็นสิบปียี่สิบปีหรือจะชาตินี้ช่างชาติก็แล้วแต่คุณอาจจะกินเจได้คุณอาจากกจะ ก, กินมังสวิรัตได้แต่ไม่ได้ไหมายความว่าคุณหลุดพ้นจากจากการที่เราเนี่ยเลิกกินเนื้อสัตว์มาได้นะ เพราะถ้าตาบใดเนี่ยยานปัญญาเราไม่เกิดจริงแล้ไม่ไม่รู้จริงไม่เข้าถึงจริงแล้วเราก็เดี๋ยวมันก็กลับไปได้ก็กลับไปยินดีพอใจกลับไปเสพกลับไปติดเนื้อสัตว์ได้อีกเพราะนั้นไม่ใช่แค่ว่าพอบอกว่าเออเราเลือกหมู่กลุ่มแล้วนะสมมติเรามาอยู่กับหมู่กลุ่มนี้หรือว่าไปอยู่กับหมู่กลุ่มนั้นได้แล้ว แล้วเราก็ทำตามตามเขาได้แล้วหมายความว่าโอโหเราได้ได้ดิบได้ดีจนกระทั่งเรียกว่าสบายแล้วชาตินี้มันยังไม่จริงหรอกเพราะฉะนั้นอันนี้ ต, ต้องต้องต้องให้ถึงได้ด้วยตัวเองจริงๆแล้วตัวเองน่นแหละจะรู้ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกเราเลย ว, ว่าเออนี่เราทำได้ถึงถึงขั้นไหนถึงขั้นไหนแล้วไม่ต้องหรอก เรานี่แหละจะรู้เองแล้วความสบายที่เราได้จริงเนี่ยเราก็จะรู้จริงๆว่าโอ้โหตอนนี้สบายแล้วนะถึงคราวนี้เนี่ยคุณไปอยู่ท่ามกลางคราวนี้กลับแล้วนะคุณไม่จะอยู่กับหมู่กลุ่มนี้ต่อให้คุณไปอยู่กับหมู่กลุ่มไหนถ้าคุณได้จริงแล้วคุณเข้าถึงจริงแล้วพูดง่ายว่า ในเรื่องนั้นนะ่ะกิเลสคุณศูนย์ได้จริงถ้ามันศูนย์จริงแล้วเดี๋ยวนะมันมันไม่มีกลับมาเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่อะไรแล้วศูนย์ก็คือศูนย์คราวนี้คุณไปอยู่กับหมู่กลุ่มไหนไปอยู่กับใครอะไรยังไงก็ยังคงศูนย์นั้นเราจะไม่แบบว่าไม่คือพอไปอยู่กับเขานะ เราจะโอ้โหไปกินอย่างนั้นไปทําตัวอย่างนี้นะกลับไปทําเหมือนเดิมหรือว่าไปอยู่ในสังคมเขาแล้วเราก็จะไปเป็นอย่างเขาเนี่ยเขาลากดึงจูงคุณไปยังไงก็ไปไม่ได้แล้วถ้าถ้าคุณจริงนะเพราะฉะนั้นอันนี้นนอันนี้ฝากไว้เพราะว่าเห็นใจอยู่ว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยมันมันร้อนแรงนะแล้วมันมีกําลังที่จะ ดึงเราไปได้มากเพราะว่าเรามาอยู่กับหมู่กลุ่มอย่างนี้เนี่ยเอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่สันติอโศกเนี่ยแล้วก็อยู่ท่ามกลางโอ้โหสังคมในเมืองสังคมในกรุงเทพซึ่งเรียกว่าแรงนะทุกอย่างนี่อะไรอ่ะประชิดลัววัดทั้งนั้น่ะทุกอย่างมีให้คุณได้โอ้โหทั้งตาเห็นทั้งหูได้ยิน นะมันมันตลอดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยจึงบอกถ้าเราปฏิบัติไปแล้วเราไม่ไม่เข้มแข็งไม่อดทนแล้วก็ไม่เข้าถึงสัจจะเข้าถึงความเป็นจริงแล้วคุณไปไม่รอดหรอกนะเะฉะั้นที่สันติอโศกเนี่ยจะค่อนข้างอยู่ยากกว่าที่อื่นนะถ้าถ้าเป็นพุทธฐานหรือสังฆาฏฐานอื่นของชาวอาสุกนี่ ยังจะง่ายกว่านะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยจะอยู่เป็นไออะไรอะบริเวณแบบการเตาหลอมเหล็กเหมืองของที่สันติแลนะอย่างน้อยน้อยบางทีก็ยังมีพื้นที่กว้างแล้วก็มีพื้นที่มากที่ให้เราอะไรอะอยู่แล้วก็เคลื่อนกายาย้ายจุดอะไรเนี่ยได้มากแต่ที่สันติอโศกเนี่ยมันแคบแคบน่นจะทำอะไรนี่กระดิกซ้ายกระดิกขวาก็ เห็นกันเจอกันหมดแล้นะพูดเสียงดังหน่อยก็จะยินกันไปทั่วเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้พิสูจน์อยู่เหมือนกันนะว่าถ้าแน่จริง อ, อ่อยู่สันติสุข อ, อ่เพราะว่ามันยากจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นจะหลุดกระเด็นจะอะไรต่ออะไรนี่โอ้โหมีโอกาสมากนรแล้วก็จะมาอู่อูเลี่ยงเลี่ยงหลบๆบอะไรที่สันตินี่ยาก พรแทบจะหาหมุมให้คุณหลบยากมากเลยเพราะว่ามันมันนิดเดียวบางทีเนี่ยเมือม่อยเมื่อยเพียๆอยากจะหาที่พักข้างหน่อยยังยากเลยไม่เอ๊มันจะไปตักเมืองไงดีวะ <c oughs> เพราะมันมันมันแทบจะไม่ค่อยมีที่แต่ที่อื่นนี่กว้างนะแล้วมันก็มีอะไรอธรรมชาติมีอะไรต่ออะไรให้ค่อนข้างได้ได้ผ่อนคลายอารมณ์ได้มาก ไม่ง่ายนะธรรมายังจำได้ว่าแม้แต่ขนาดตัวอตรตมาเองเนี่ยตอนที่ตัดสินใจจะมาอยู่ที่สันเตียโสกเนี่ยปรากฏว่าคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดเป็นปีเหมือนกันนะกว่าจะตัดสินใจได้ว่าเอาแน่แล้วเอาแน่แล้วจะมาอยู่แน่แล้วแล้วก่อนจะมาอยู่ขนาดว่าก็เคยมาบ้างเคยมาช่วยการงานบ้างนะเคยมา นี่ยเอาได้พบเห็นคนนั้นคนนี้อยู่จุดนั้นจุดนี้บ้างแต่ในสายตาเราที่เราเห็นเราดูเนี่ยเอาละบางทีนักบวชเราก็ศรัทธาเราก็ยกไว้แต่บางทีคารวะเนี่ยบางทีเราก็เอ๊ะเห็นคนนั้นเอ๊คนนี้ไม่ข้อท่าน ะ, ะคนนั้นเออคนนั้นใช้ได้อะไรเงี้ยมันก็ยังมีตัวที่ทำให้เรารู้สึกไม่ไว้วางใจได้ได้ เต็มร้อยหรือว่าเต็มใจของเรายิ่งเจ๋งๆบางทีไปเจอประเภทนะกล่าวว่าที่เราโอ้โหคนอย่างนี้ก็มีอยู่ด้วยเหรอนะอาจจะบางทีพูดจาก็แข็งๆกระด้างเงี้ยหรือว่าบางทีดูแล้วเอ๊เขาอยู่วัดมาตั้งนานแล้วจริงๆเขาน่าจะอะไรอ่ะเมตตาน่าจะ ให้อภัยน่าจะกลมกล่อมก่อ น, นี้นะแต่รากฏว่าพอเราเจอเข้าไปโอ้โหแทบหงายทองเลยนะซึ่งก็จะมีจริงๆแล้วก็จะเจอพอเราเจออย่างนี้เข้าไปเนี่ยเอาแล้วนะคราวนี้ไอบ้บางทีตั้งหลักมาว่าเดี๋ยวจะมาอยู่วัดแล้วบางทีเนี่ ย, เ, ยเดี๋ยวต้องกลับไปคิดอีกสักปีสองปี กลับไปคิดอีกสักปีสองปีแล้วไอ้น่าจะมาอยู่หรือเปล่านะหรืออย่างน้อยๆก็ บ, บางทีมันเริ่มคิดนะว่าโอ้โหถ้าเรามาอยู่เนี่ยเรามาเจอแบบนี้เราจะอยู่ไหวหรือเปล่ามันเริ่มขาดความเชื่อมั่นแล้วนะมันเริ่มจิตใจชักจะเอไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยจะดีล้นั่นแหละแม้แต่คราวนี้มาอยู่จริงๆก็ตามแต่มายังจาได้พออาจจะมา พักแล้วก็มาอยู่จริงๆเข้าคือคือเราจะมาอยู่ได้เนี่ยเราต้องอาศัยตัวศรัทธามากๆใช่ไหมเราคิดในมุมดีว่าโอ้โหสมณะเอย้ยสิกขมาตเอย้ยหรือว่าสมัมเนนหรือว่าคนอยู่ว้าคนนั้นก็นดีคนนั่งคนโน้นก็นดีคือเราอาศัยสิ่งเหล่านี้สร้างความเชื่อมั่นหรือสร้างความมั่นใจให้กับเรานะโอ้ยิ่งพอท่านเราก็ยิ่งศรัทธายิ่งเชื่อถือเชื่อฟังเชื่อมั่น พลังเหล่านี้จะทาให้เรากล้าที่จะมาอยู่แต่ในขณนะเดียวกันก็บอกแล้วนั้นในด้านลบๆมันก็จะมีอยู่ด้วยซึ่งถ้าเราเนี่ยเรียนรู้ความจริงเราเข้าถึงความจริงสิ่งเหล่านี้มันจะมันจะไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาแต่ตอนที่เรายังจะมาใหม่ๆเนี่ยบางทีเราเรายังไม่เข้าใจเรื่องสัจจะพวกนี้ คือเรามักจะคิดไปในมุมบวกซะมากจนกระทั่งเราลืมมุมลบไปนะคิดแต่มุมบวกเนี่ยมากเลยซึ่งจริงๆมันก็จริงด้วยนะแต่ในขณะที่เราคิดแต่มุมบวกมากจนกระทั่งเรามีศรัทธาเนี่ยแต่ในจริงๆมันจะมีมุมลบอยู่ในนั้นด้วยแต่เราเองเนี่ยเรามักจะไม่คิดถึงแล้วก็ไม่คำนึงถึงวันตอนที่บางทีเรามาอยู่แล้วนะเราก็อาศัยแต่มุมบวกเพียงมุมเดียวซะส่วนใหญ่ ทำให้เรามาอยู่ได้แต่พออยู่ไปคราวนีนะ้เราได้มาอยู่แล้วอะพอได้มาอยู่แล้วไ อ, ไอ้มุมบวกมุมศรัทธาที่มีอยู่เนี่ยใช่มบางทีมันก็พอมาอยู่แล้วนี่ไอตอนยังไม่ได้มาอยู่เนี่ยไอตัวนี้มันก็ ờ, เป็นพลังของความปรารถนาของความอยากจะมาอยู่มันทำให้เรามีพลังอันนี้เข้ามาได้มากแต่บางทีพอมาอยู่แล้วไอพลังพวกนี้มันมันเหมือนกับได้กินอะไรอิ่มได้กินอะไรสมใจแล้ว ไอพลังตัวนี้บางทีมันจะอยู่ตัวหรือบางทีมันก็อาจจะลดลงก็ได้เพราะปิตปิพอได้มาอยู่แล้วเนี่ยปิติมันก็ชักจะเริ่มลดลงหรือบางทีปิติอาจจะแรงหน่อยตอนมาอยู่ได้ใหม่ๆเท่านั้นแหละแต่พอคุณอยู่ไปสักพักหนึ่งปิติพวกนี้มันจะลดลงไปเองคุณจะยังไงก็ตามมันก็จะลดลงไปเองเพราะมันได้อยู่แล้วมันได้สมใจแลเหมือนเราได้กินอะไร อ, อร่อยวิเศษยังไงอพอคุณได้กิน สมใจคุณแล้วอร่อยยังไงคุณก็อย่างนั้นแล้วคราวนี้เพราะว่ามันไม่กินอีกแล้วเพราะมันมันได้กินอิ่มไปแนะ่วนะแต่พอคราวนี้อพอมาอยู่ไอ้ปฏิพวกนี้บัญชีมันลดลงยกเว้นว่าคนไหนเนี่ยพอมาอยู่แล้วสามารถที่จะสร้างศรัทธาให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะกับหมู่กลุ่มกับบุคคลต่างๆในสังคมที่เราไปอยู่นั้น แต่ถ้าบางคนเนี่ยอย่างที่บอกนะในขณะที่จริงส่วนดีๆก็ยังเข้ามาอยู่แต่เราเกิดไปเจาะเอไปเจอส่วนที่ไม่ดีเข้านะเจอคนที่บางทีพูดนะจาไม่ดีบ้างสแสดงกริยาไม่ดีมาบ้างพอเราไปเจอเสร็จเราไปติดแงกแตอนนี้สติปัญญาเราเนี่ยนะมันไปติดแงกอยู่กับจุดพวกนี้พอเราไปติดแงกซึ่งจริงด้วยนะเขาก็ ไม่มีส่วนไม่ดีอย่างนั้นจริงๆด้วยแต่บอกแล้วจริงๆมันเป็นส่วนน้อยนะมันไม่ใช่ส่วนใหญ่แต่สติปัญญาเราเนี่ยพอเราไปติดแงะอยู่ตรงนี้ปับ๊บมันคิดแต่อันเนี้มากและอันอื่นมันคิดน้อยอะอันอื่นมันคิดน้อยลงแต่อันนี้มันคิดมากขึ้นเพราะมันเริ่มมามีความสาคัญอยู่ในสมองเราเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นคราวนี้เนี่ยไอ้เรื่องเล็กน้อยนี่เป็นเรื่องใหญ่ได้แล้วในหัวสมองคุณ ส่วนไอ้เรื่องใหญ่เนี่ยที่บางทีเรามีศรัทธาในในหมู่ในกลุ่มในอะไรที่มากๆากนี่เราเริ่มคิดน้อยลงเราเริ่มคิดน้อยลงอ่าแต่ไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบใจเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในหัวสมองเราเรื่อยเลยเอามาปรุงเอามาคิดอยู่เรื่อยๆข่าวนี้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยเพราะฉะนั้นข่าวนี้อ่ะเริ่มอันตรายแล้วแล้วคนนั้นข่าวนี้ต่อให้อยู่กับหมู่กลุ่มก็เริ่มที่จะนาะไม่สบายอกไม่สบายใจ แล้วเราเริ่มที่จะอึดอัดเริ่มที่จะอะไรปฏิบัติไปได้ยากแล้วซึ่งจะต้องเจอทุกคนและอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งของชาวโศกแล้วนี่แหละคือสัจจะคือความจริงไม่มีสังคมไหนที่จะมีคนดีบริสุทธิ์ไปเต็มร้อยเปอร์ซ์มันไม่มียิ่งถ้าถ้าเป็น การปฏิบัติที่ที่เราไม่ได้จากัดจํานวนนะนะปฏิบัติไปแล้วก็ก็ให้มีอะไรมีคนศรัทธามีการเผยแพร่ให้คนเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นถ้าอย่างนั้นนะี่ยยิ่งคนมากขึ้นเท่าไหร่มากขึ้นเท่าไหร่อัตราส่วนพวกนี้จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นถึงถึงถึงบอกว่าอันนี้เป็นการเรียนรู้อย่างหนึง่ง อตาตมามาอยู่ที่สันตีอโศกเนี่ยโอ้โหได้เรียนรู้อันนี้ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรเพราะว่าตอนแรกนี่มาอยู่ก็เหมือนกันแ่ะส่วนใหญ่ก็แหมในสมองก็คิดอยู่สมัยก่อ น, นยังคิดว่าพระอโศกนะนะสมัยก่อนคิดว่าโอ้โหอาหลานทั้งนั้นแหละคิดอย่างนั้นจริงๆคิดว่าโอ้โหเนี่ยที่ท่านปฏิบัติมานี่โอ้ปฏิบัติได้ขนาดนี้ โอ้คงเกือบเป็นแบบอรหัน阿拉หันนะนส่วนใหญ่อโอ้โหบางทีอะสัมมนกัสมมนาเหอะเรามันเจอบางรูปบางท่านท่านก็มีจริตนิสัยที่ที่มันไม่เหมือนอย่างที่เราวาดหวังเอาไวอ้อ๋อเรายังไม่ชอบใจไม่พอใจได้เหมือนกันนะนี่ยังไม่ต้องพูดถึงคารวะแล้วนะนี่พูดขึ้นมาถึงนักบวชนะจริงๆพอเราไปเจอเข้าเราถึงโอ้โหบางทีจิตมันจะตก ก็ได้ถ้าเนี่ยอัตมาถึงบอกถ้าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเนี่ยจิตเราตกได้เลยเพราะเราเริ่มแล้วพอเจอเขาแบอย่างนี้เราโอ้โหเอ๊ะทาไมท่านไปอย่างงี้อ่ะเราเคยนึกว่าพระอโศกนี่น่าจะใจเย็นกว่านี้เวลาพูดน่าจะนุ่มๆกว่านี้เอะไม่หวือหวาไม่บืดบาัดโหเดินหรือว่าทําอะไรเนี่ยโอ้โหทำไมอย่างนี้อ่ะ เพราะเรารู้สึกว่าเอ๊ะท่านน่าจะสงบท่านน่าจะสํารวมมีลักษณะอาการอย่างนี้อย่างนี้ที่ไหนได้บางทีโอ้โหเราฟังไม่ทันเลยไม่ให้เราเปิดปากพูดบ้างเลย <c oughs> บางรูปนะบางรูป <c oughs> แต่มันมีผลจริงๆแม้ว่าเราเจอบางรูปก็ตามพอเราเจอเข้าไปแล้วเราผลมันเกิดจากพอเรากระทบเข้าไปแล้วเนี่ยมันเกิดความ